เมื่อจองเริกกับนัทเชลไปถึงบ้านหมา อ, อุปการะก็พบเจ้า ข, ของบ้านรอต้อนรับชักชวนทั้งคู่เข้าห้องรับแขกเหมือนผู้ใหญ่ที่เห็นลูกหลานมาบ้านมากกว่าจะเป็นการต้อนรับระหว่างหมอดูกับลูกค้าฮ้าเป็นไงบ้างหนูซ้ายสบายดีเหรอหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะค่ะสบายดีทั้งที่มีเรื่องไม่น่าสบายใจเท่าไหรน่นี่ใช่ไหมก็เออคงอย่างงั้นมั้งคะ ถ้ามีเรื่องหน้ากลุ่มอยู่มากหลายแต่ว่าหน้าตาไม่สอ่อว่ากลุ่มสักเรื่องอย่างเนี้ยแปลว่าใช่แล้วละ่ะธรรมะถึงใจหนูแล้วธรรมะปกป้องคุ้มครองหนูจากทุกทางใจได้แล้วละ่ะทายอยากถามพ่อหมออีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเจ้าวิโยหมาของทายเป็นไปตามคำทำนายของพ่อหมอเมื่อคราวก่อนที่ว่าเวลาของมันเหลือ น, น้อย ตอนนี้มันตายไปจริงๆซายอยากรู้ว่าตอนนี้เจ้าวิยโยปไปอยู่ที่ไหนและที่ายทำบุญส่งไปให้มันมันได้รับบ้างหรือเปล่าหมออุปการะไม่ได้หลับตาแต่ก็นิ่งไปเหมือนกำลังกำหนดจิตให้คล้ายขึงผ้าให้ตึงทำฝ้าหมอกให้โปร่งใสกระทั่งมีความเป็นกลางพอจะล่วงรู้ได้แจ่มชัดอืมมันสบายขึ้นแล้วนะ ไม่เป็นเปรตแล้วอ้าวมันไม่ได้ไปเกิดเป็นคนหรือไปเป็นเทวดาเหรอคะยังหรอมันยังติดอยู่ในอบายแต่เป็นเปรตก็ดีกว่าเป็นเดรัจฉานมากแล้วล่ะปลอดโปร่งแล้วก็สะอาดสบายกว่าเดิมเยอะอ้าวหนพ่อหมอบอกวิโยจะได้ไปดีเป็นเปรตแบบนี้ดีที่ไหนกันมันอยู่ในช่วงพักรอดที่จะไปดีนะ่ะหนูทราย คนไทยฟังคําว่าเปรตแล้วก็มักนึกถึงตัวปากแหลมสูงชะลูดหน้ากเกลียดหน้ากลัวความจริงยังมีอะไรมากกว่านั้นเยอะที่คล้ายเทวดาก็มากเพียงแต่ไม่สบายได้ตลอดและไม่มีความคิดอ่านเท่าจิตวิญญาณชั้นสูงหนูสัมผัสกระแสสว่างบางอย่างจากมันทําให้หนูชื่นใจมากก็นึกว่านั่นหมายถึงกระแสสวรรค์ซะอีก การจากไปสู่พบที่ดีกว่าก็จะให้ความรู้สึกแช่มชื่นทํานองนี้แหละตอนนั้นหนูเพิ่งกลับจากทําบุญมันโดนรถทับใช่ไหมค่ะอดีตกรมบางอย่างทำให้ชาตินี้มันต้องตายอย่างทรมานเลยขึ้นสูงทันทีไม่ได้ต้องไปพักในภูมิเปรตชั่วคราวก่อนแต่ถัดจากนี้พอจิตของมันค่อยๆ ค, คุ้นสภาพใหม่มากขึ้น แล้วพอมีกำลังระลึกถึงบุญกุศลในหนหลังก่อนขาดใจได้ก็จะแจ้งเกิดเป็นมนุษย์กับเขาเจ้าอุยโยเป็นเปรต ป, ประเภทรับส่วนบุญได้หรือเปล่าคะมีทางที่หนูจะช่วยให้มันเกิดใหม่ดีกว่าเปรตเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมอย่าใจร้อนเลยหนูโดยมากสัตว์ที่ตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยมักต้องไปพักรอเลกเกิดใหม่กันทั้งนั้นแหละตอนนี้มันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแค่นึกว่าตัวเองยังเป็นหมายอยู่ แล้วก็ท่องเที่ยววิ่งเล่นไปท่ามกลางสนามหญ้าที่มีดอกไม้สวยสะพรั่งแล้วคะงั้นที่หนูเห็นในฝันก็เป็นเรื่องจริงนะสิดูนึกว่าจิตปรุงแต่งไปเองซะอีกก็อย่าเข้าใจว่าตรงจริงเสียทั้งหมดนะความฝันมันเอาแน่เอานอนยากอย่าถือเอาเป็นอารมณ์ได้ก็ดีในฝันหลายครั้งชันมากๆเหมือนมันมาหาจริงๆความเหมือนจริงและสีสันคมชัดของฝันคือเครื่องวัดหรือเปล่าคะ ของพวกนี้มันยากที่จะชี้ชัดคนต้องมีจิตที่ปราศจากความเข้าข้างตัวเองแล้วก็มีกำลังสมาธิระดับหนึ่งถึงจะมียานอย่างรู้สามารถแยกแยะออกความชัดหรือความมัวมนน่ะมันไม่ใช่มาตรวัดความจริงได้เสมอไปหรอกเจ้าอุ้ยอยู่มีเพื่อนไหมคะก็รวมอยู่กับเปรตที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือเพิ่งตายจากความเป็นสัตว์มีบุญพอตัวสวยสุขตามสมควร แต่ยังไม่ถึงขนาดส่งให้พ้นอบายได้หนูเชื่อเธอสัตว์ในสังสารวัตเนะ่มีมากนับอ น, นันต์แต่ละนาทีจะมีจิตที่อยู่ในระดับภูมิเดียวกันเป็นเพื่อนเสมอเว้นแต่ต้องถูกขังเดียวด้วยกรรมเฉพาะตัวซึ่งก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ่ายแล้วมันกินอยู่ยังไงคะพบของมันจะมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารก็ไม่ถึงกับอุดมสมบูรณ์หรอกแต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลนย่อมดินบางแห่งปรากฏเหมือนอาหารสุนัข สับางแห่งก็มีน้ําใสน่ากินแล้วมันหิวบ้างหรือเปล่าคะก็เป็นบางคราวความหิวเป็นลักษณะหนึ่งของภูมิเปรตแต่บุญเก่าจะจัดหาอาหารให้อุยโยกับพักพวกของมันเองไม่แสบท้องนานหรอกหนูแย่ yeah, จังสายอยากเป็นคนหาของให้มันกินจังเลยคะ่ะ <c oughs> หนูสายอย่าห่วงเลยสำหรับภูมิที่เจ้าอุยโยไปอยู่เนี่ยจะมีบางคาบบางเวลา ที่มันรู้สึกว่ายืดตัวขึ้นหยัดสองขาได้แล้วมันก็มีความคิดอ่านมีสำนึกคล้ายมนุษย์บ้างในข้าบเวลานั้นมันสามารถหาพลมาจากป่าโปร่งได้สะดวกกว่าพวกค้นป่าซะอีกเป็นภูมิที่แปลงร่างได้ด้วยเหรอคะเปรตจำนวนมากเปลี่ยนสภาพสลับกันไปสลับกันมายังข้าบเวลาที่เจ้าอุยโญยืดตัวขึ้นมายืนสองขาได้นั้นเน่ะก็เพราะแรงกุศลจากอนิตชาตบรรดาลจิตให้สว่างรู้คิดขึ้นชั่วครู่ มันจะรู้สึกคล้ายเด็กห้าขวบคนนึงเลยทีเดียวถ้าจิตสว่างเป็นกุศลได้เหมือนมนุษย์อย่างนั้นทําไมถึงไม่ไปจุติไปสู่สุคติเส้นเลยต้องรออะไรด้วยล่ะคะเพราะกําลังกุศลของมันนะอ่อนเกินกว่าจะปฏิวัติวิญ ญ, ญาณให้เลื่อนขั้นไปสู่ภพที่สูงกว่านั้นเนื่องจากในภพที่เป็นหมาบุญของมันเกิดจากการพรอยินดีรับส่วนกุศลจากหนูล้วนๆไม่ใช่บุญอันเกิดจากกุศลเจตนาของตัวมันเองแถมตายไม่ค่อยส ง, งบอีก แลวยังครึ่งคึ่งกลางๆอยู่วิบากกรรมเนี่ยน่ากลัวจังนะคะใครจะรู้ว่าอากุศลแต่หนไหนตามมาให้ผลได้ตายสงบหรือตายทรมานตอนมันเกิดเป็นลูกของหนูที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กคราวนั้นนิสัยของมันคึกขนองไปตามเรื่องชอบทรมานสัตว์เล็กๆจับมาบทขยี้ให้ตายทั้งเป็นด้วยของใกล้มือด้วยความสนุก โดยที่ไม่รู้ว่านั่นน่ะเป็นบาปกรรมที่ทำด้วยความเคยชินนั้นพอเป็นสัตว์บ้างเลยต้องตายทรมานหลายครั้งจริงสิตอนเป็นหมาเจ้าวิยโยก็ชอบแต่โปะผีเสื้อเล่นนี่คงเป็นนิสัยเก่าติดมาโดยไม่รู้ว่ามันเป็นบาปนี่เองคือเหตุของผลอันเป็นธรรมดาไม่มีใครช่วยแก้กรรมที่ทาไปแล้วให้กันได้ใครทำอะไรไว ก็ต้องเสวยผลอันเกิดจากการกระทํานั้นไม่ช้าก็เร็วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆนะคะแต่หนูก็เป็นยิ่งกว่านายของมันคือทำตัวเป็นทางลัดให้มันขึ้นสูงกว่าเดิมได้จากที่พ่อหมอเล่าให้ฟัง <c oughs> เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในพบใหม่ของอุ้ยหยู <c oughs> หนูก็พอมองออกอย่างหนึ่งค่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภูมิเปรตมีความแปรปรวนลุ่มลุ่ ม, ม ด, อดอนดอนเอาแน่เอานอนไม่ได้คือรู้สึกเหมือนอุยโหยติดอยู่ในฝันเลยอย่างนั้นแหละอัตภาพแบบเปรตนั้นไม่คงเส้นคงวาไม่มีร่างหยาบคงที่เหมือนอย่างมนุษย์แม้แต่สภาพจิตก็กลับไปกลับมาโดยไม่จําเป็นต้องมีสิ่งภายนอกเข้ามากระทบเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวคิดเรื่องกุศลเดี๋ยวคิดเรื่องอกุศลเวียงไปเหวี่ยงมาระหว่างสองขั้ว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 บางทีก็วิ่งตามหาหนูไปเรื่อยๆด้วยความรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เจอทายก็อยากให้มันดีใจที่ได้เห็นทายค่ะการที่หนูยังคิดถึงเจ้าอุยโญไม่เลิกก็ทำให้จิตหนูเป็นขั้วต่อกับมันและเลี้ยงอุปท า, านของมันไว้อย่างนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างคิดถึงพร้อมกันจิตก็จะเชื่อมต่อกันหากเชื่อมระหว่างหนูลืมตาตื่นอยู่ก็จะมาในรูปของความคิดถึงรุนแรง แล้วรู้สึกเหมือนยังอยู่ใกล้ๆตัวแต่ถ้าจิตเชื่อมติดระหว่างที่หนูหลับฝันก็จะปรากฏเป็นนิมิตเสมือนจริงราวกับสัมผัสได้ด้วยกายปกติมันเห็นทรายเหมือนที่ทรายเห็นมันหรือเปล่าคะต่างฝ่ายต่างเห็นออกมาจากมุมมองของตัวเองนั่นแหละการปรุงแต่งของจิตเป็นเรื่องพิสดารถ้าจิตใครพองฟูก็เห็นอีกฝ่ายสดใสถ้าจิตของใครกําลังฟุบแฟบก็เห็นอีกฝ่ายหมนมอง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 สามารถหวนกลับมาคิดอ่านแบบวิญญาณชั้นสูงได้ทำให้จิตหลุดพ้นจากพบเปรตไม่ยากนะักเพียงแค่เจอแสงสว่างจากจิตที่แผ่เมตตามาให้แรงๆพอที่จะรู้สึกเย็นซ่านปลาปื้มปิติเหมือนตอนเราอยากยิ้มทั้งน้ำตาด้วยแรงศรัทธาภาษาทะก็ปลุกให้ระลึกถึงบุญเก่าที่เคยทำาทําสะสมไว้ระหว่างที่เป็นมนุษย์ได้อย่างนี้จิตถึงมีโอกาสปฏิวัติได้เลื่อนชั้นปุุปรับทันใจ แปลว่าถ้าเพึ่งพ้นจากภาวะความเป็นสัตว์เลื่อนชั้นขึ้นเป็นเปรตก็รับกุศลจากคนอื่นได้ยากอย่างนั้นใช่ไหมคะอืมคืออย่างเจ้าอุโยของหนูเนี่ยปัจจุบันมันยังขนองแบบหมาอยู่มากหนูก็รู้ว่าเจ้าพวกนี้ถ้ามันพอใจกับความสนุกสนานเฉพาะหน้าแล้วเรื่องอื่นมันก็ไม่สนใจหรอกแต่เมื่อไรความคึกขนองของมันจางลงมันก็จะสงบเยือกเย็นเหมือนตอนฟังหนูอ่านหนังสือธรรมะ แล้วค่อยๆระลึกถึงภาพและเสียงที่ก่อให้เกิดกระแสกุศลเพราะจิตสว่างเต็มรอบเมื่อไรก็ขาดจากความเป็นเปรตยไปเองแล้วการที่หนูทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันบ่อยๆจะมีส่วนช่วยร่นเวลาให้เร็วขึ้นได้ไหมคะสำหรับเจ้าอุยโยนี่ยพบต่อไปที่เหมาะกับมันก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องรอเลิกเกิดที่สมกับกรรมของมันด้วยการอุทิศส่วนกุศลของหนูนั้นน่ะ ดีแล้วทำไปเถอะก็เหมือนกับสาดน้ำเย็นข้ามมิติไปให้มันชุ่มฉ่ำชื่นใจและมีสำนึกทางกุศลแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีส่วนเร่งรัดให้มันขาดจากพบเปรตเร็วกว่าเดิมหรอกเข้าใจกระจ่างทุกอย่างแล้วค่ะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าการเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมินั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่ขึ้นสูงกันง่ายๆค่ะที่อวยพรส่งเสียให้ใครไปดีก็สักแต่เป็นแค่ความหวังดี ศักดิ์แต่เป็นแค่กูเสลจิตของผู้อวยพรแต่ไม่มีผลให้ใครได้ดีตามปากเลยทุกคนล้วนแต่ต้องพึ่งกรรมของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วการเปลี่ยนภพภูมินี่โดยมากคือต้องเลื่อนชั้นเป็นขั้นๆเลยครับเช่นจากความเป็นสัตว์นรกมาสู่ความเป็นเดรัจฉานจากความเป็นเดรัจฉานไปสู่ความเป็นเปนเรตก่อนจะเลื่อนชั้นจริงๆเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยมากมันก็เป็นอย่างนั้น ผมเคยส่องส่องดูเล่นๆอยู่เหมือนกันนะที่จริงการเว้นว่ายตายเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสดานกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าสัตว์ในสังสารวัตรพุ่งหลาวจากความเป็นอย่างนี้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้นกระโดดจากความเป็นอย่างนั้นไปสู่ความเป็นอย่างนี้หาความสิ้นสุดโดยบังเอิญไม่ได้และถ้านิมิตของภพบอบายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็นับต่อไปได้เลย ว่าจะมีนิมิตอบายตามมาอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหรือว่าหลายแสนครั้งกว่าที่จะได้เห็นนิมิตสุขติภูมิปรากฏขึ้นใหม่น่ากลัวจังค่ะแค่กว่าตาดูภาพสัตว์เป็นร้อยเป็นพันก็น่าเบื่อจะแย่แล้วถ้าต้องรอนแรมเดินทางไกลไปเป็นนั่นเป็นนี่จริงจะยิ่งนหน้าไหนกว่านั้นขนาดไหนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่า น, นิมิตที่เห็นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนั้นคือของจริงทั้งหมด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 ว่าไปเป็นอะไรอย่างหนึง่งด้วยกรรมนำเกิดที่สมกันแบบไหนนั่นถึงจะเรียกว่าเข้าเขาตามความเข้าใจจากที่ผมฟังพ่อหมอพูดถึงเจ้าอุยโหยมามันเลื่อนชั้นจากสัตว์ไปเป็นเปรตก็เพราะพรอยินดีกับกุศลของทรายบ่อยๆถูกไหมครับถูกต้องแล้วกรรมที่ตกแต่งให้มันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีน่าบืเทิงใจล้ครับคืออะไรก็ด้วยน้าหนักความยินดีในกุศลนั่นแหละ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 ทำอะไรจุดประกายให้น้องฉลาดขนาดนี้นี่เรียกว่ามีจุดเชื่อมโยงแรกที่อิงอยู่กับหลักฐานเห็นได้จริงแล้วหมายความว่าถ้าเราจับจุดจากเหตุผลของการเป็นอย่างที่เห็นง่ายๆได้ถูก<ๆ>ก็จะสามารถสืบสาวลึกซึ้งต่อไปถึงกรรมวิบากด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับก็ไม่เชิงนะความอยางรู้ของผู้มีชาตเป็นเรื่องอจินไตยคือน้องหาเหตุผลไม่ได้หรอกว่าทาไมถึงรู้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 อดีตเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงอนาคตตัวตนในปัจจุบันแค่ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องประสบกับอะไรบ้างและมีสิทธิ์ก่อกรรมอะไรบ้างพ่อหมอรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมคิดจะทําอะไรเพื่อเป็นการสร้างกรรมใหม่ฝ่ายกุศลน้องกําลังคิดสร้างเครื่องมือพิสูจน์ว่ากรรมวิบากมีจริงงั้นผมขอถามแบบไม่อ้อมคอมนะครับว่าผมจะทําสําเร็จไหม ขอรู้แต่เนิ่นๆเผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปล่าให้ผมตอบอย่างนี้ดีกว่านะมันจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีที่น้องตั้งคาถามผมไม่เข้าใจวันนี้น้องมาเพื่อตั้งคาถามเรื่องกฎแห่งกรรมวิบากเพื่อนาไปจับจุดและทาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เหรอครับนั่นแหละ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 ถ้าผมตายก่อนประดิษฐ์เครื่องนี้สําเร็จก็แปลว่ายังไม่สามารถหลุดจากบ่วงกรรมที่แกล้งคนไม่เป็นล้านใช่ไหมครับถึงน้องจะประดิษฐ์เครื่องพยากร่ำกรรมสําเร็จมันก็ใช่ว่าจะทําให้หลุดจากบ่วงกรรมเก่าไปทั้งหมดได้บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปแต่ถ้ากําลังบุญมันเกินกําลังบาปใจน้องก็พึ่งบุญได้ถนัดถนีหน่อยเหมือนได้ทุ่นไว้เกาะอาศัยกลางทะเลถึงฉลามมันจะมางาบก็ไม่ถนัด ต่างจากลอยคอตัวเปล่าด้วยปราศจากหลักยึดไม่น่าเลยเล่าพอรู้เท่าไม่ถึงการแท้ๆเพราะไม่รู้ว่าทุกการกระทาจะมีผลตอบสนองเสมอทำให้เราพลาดทากรรมหนักไปแต่เสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้สู้มาตั้งหน้าตั้งตาทำกรรมใหม่ที่เป็นฝ่ายกุศลดีกว่า ผมคิดจะสร้างเครื่องพยากรณ์รมแต่ก่อนอื่นคงต้องเริ่มต้นจากการรู้เรื่องกฎแห่งกรรมวิบากให้ครอบคลุมเพียงแตออ่ในระยะยาวถ้าขาดผู้รู้ให้คำปรึกษาก็อาจจะเคว้งคว้างเพราะระหว่างค้นคว้าประดิษฐ์คิดคน้นคงติดขัดด้วยข้อสงสัยอีกมากผมจะอนุญาตอย่างนี้นะต่อไปน้องโทรมาหาผมได้ตลอดถ้าน้องเอาจริงเอาจังทุ่มเทเวลา24ชั่วโมงให้กับงาน ก็เอาผมเป็นที่ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันขอบคุณมากครับที่จริงตอนนี้ผมมีคำถามจะถามพ่อหมอเกือบ200ข้อแต่ชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะเริ่มถามข้อไหนก่อนยิ่งพ่อหมอบอกว่าคำถามของผมวันนี้จะเป็นตัวชี้ตาความสำเร็จผมก็เลยเออยิ่งประมาเอางี้น้องเริ่มจากการเล่าแนวคิดที่น้องจะประดิษฐ์เครื่องพยากรกรกรมให้ผมฟังก่อน พอผมเห็นช่องทางเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะชี้เป็นจุดๆไปเอาอย่างนี้ดีไหมดีครับตอนนี้ผมพยายามเปิดใจกว้างเข้าไปศึกษาศาสต่างๆก็พบาศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นการดูลายมือเห็นว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังลายมือก็คือกรรมเก่าลายมือบอกเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ถ้าพอหมอยืนยันว่าลายมือเป็นแผนที่ชีวิตจริงๆ ก็แปลว่าเราอาจสืบประหาสชีวิตกันได้ตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยการแกะรอยเข้าไปให้ถึงต้นกำเนิดเส้นลายมือวิทยาศาสตร์ช่วยให้เข้าถึงได้เหรอได้ครับอาศัยข้อมูลที่มีมาตั้งแต่ทุกคนยังเป็นเซลล์เพียงเซลล์เดียวคือถ้าการสานิฐานของผมถูกต้องก็แปลว่าอดีตและอนาคตของทุกคนปรากฏอยู่ในรูปที่อ่านได้นับตั้งแต่แรกปฏิสนธิแล้ว ขอเพียงรู้วิธีที่จะอ่านให้ออกเท่านั้นผมดูจากความคิดของน้องอะนะน้องตั้งใจจะใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์วาดรูปของเด็กที่ยังไม่เกิดล่วงหน้าตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนไปจนถึงวัยชาราโดยทำนายกากับไว้ได้ด้วยว่าแต่ละวัยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างรวมทั้งระบุอย่างชัดเจนที่ว่าช่วงชีวิตต่างๆประสบวิบากด้วยเพราะกรรมชนิดใด ซึ่งถ้าทำถูกต้องแม่นยำก็เป็นอันพิสูจน์ชัดว่าอดีตชาติมีจริงกรรมวิบากมีจริงแล้วรูปกายกับเหตุการณ์หลักๆคือผลที่เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยบังเอิญถ้าผมทำสำเร็จจะได้รับผลทันตาอย่างไรครับการทำให้มหาชนรับรู้เข้าใจและศรัทธาในกฎแห่งวิบากกรรมนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆย่อมได้รับผลเป็นบรมสุข ปรารถนาสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นสมใจอย่างน่าอัศจรรย์และภายในเวลาไม่เนิ่นช้าด้วยนะแต่เมื่อกี้พ่อหมอบอกว่าอย่างไรผมก็ยังไม่มีทางหลุดพ้นจากบ่วง ก, กรรมเก่าได้เด็ดขาดถ้าหากผมยังไม่หลุดจากบ่วงกรรมเก่าแล้วผมจะเสวยผลเข้าขั้นบรมสุขได้อย่างไรมเมื่อเร็วๆนี้น้องเพิ่งจะโดนเด็กไม่รู้คิดคนนึงดา่าเอาดื้อๆเลยใช่ไหมเรื่องนี้พ่อหมอรู้ด้วยเลยเนี่ย ใช่ครับอยู่ๆมันก็ด่าผมว่าไอ้ควายเล่นเอาสอือกไปเป็นครู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน้องโดนเด็กแปลกหน้าด่าอย่างเงี้ยปฏิกิริยาของน้องจะออกมาเป็นแบบไหนก็อาจจะหาก้อนหินมาเคลื่องใส่หัวไอเด็กบ้านนั้นสักทีให้มันหลาบจำแต่น้องก็ไม่ได้ทำครับพอนึกได้ว่านั่นคงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องชดใช้กรรมก็คอตกยอมรับสภาพไป ถ้าพูดถึงใจละ่ะสมัยก่อนจะผูกโกรธเก็บความเจ็บแค้นอาฆาตไว้นานแค่ไหนเมื่อเดือนก่อนใครทำผมเจ็บใจผมจะคิดเอาคืนมันเป็นสิบเท่าแล้วแค้นมันจนนอนไม่หลับไปหลายอาทิตย์แต่คราวนี้น้องไม่ได้ผูกโกรธเด็กคนนั้นนี่ครับผมให้อภัยเด็กคนนั้นภายในนาทีหรือสองนาทีต่อมาหลังจากโปรงตกและคิดได้ว่า เด็กเป็นแค่เครื่องมือของกรรมวิบากแถมยังนึกห่วงเข้าสะอีกว่าต่อไปจะต้องเจอกรรมวิบากเล่นงานแบบผมไหมการให้อภัยได้ไม่คิดเอาคืนโดยประสะจากเงื่อนไขทำให้ใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขอืมแปลว่าชีวิตน้องดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทั้งที่กรรมเก่ามันยังตามรังควานอยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะ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 นั่นแหะคือยอดแห่งกรรมอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญสู่ตนโดยไม่รู้จบรู้สิน้นยิ่งถ้าผมสร้างเครื่องพยากรณ์กรรมได้และทำให้คนอีกมากขันมาศรัทธาความจริงเช่นกฎแห่งกรรมวิบากผลสะท้อนก็จะยิ่งได้แรงขยายออกไปมหาศาลต่างจากที่ศึกษาเพื่อเข้าใจและศรัทธากรรมวิบากตามลำพังนั่นเองที่ความสุขจะเติบโตขึ้นเป็นบรมสุข ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับใช่เรามีความตั้งใจจริงในการสร้างศรัทธากรรมวิบากให้เกิดแก่หมู่คนจำนวนมากอันนี้สงมีเพียงใดขอให้ได้กับสายและทุกคนในโลกเท่าเทียมกันสาธุจิตเจตนาของจองเลิกนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งหากต่อไปเครื่องพยากรกรกรมเกิดขึ้นจริง ก็จะสามารถทำให้คนจำนวนมากหันมาเชื่อเรื่องกรรมวิบากมากขึ้นแต่โลกก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งหมดเพราะธรรมชาติต้องมีคู่ตรงข้ามให้ทวงดุลให้เกิดการหมุนไปของวัตตะคนต้องมีบุญเกา่าจึงจะอยากทาให้เปิดตามองโลกตามจริงแล้วก็ต้องมีบุญใหม่มาเปิดม่านอุปทานให้ไปรับรู้อะไรตามจริงได้ถึงจะยอมรับ และเชื่อเรื่องกรรมวิบากอย่างลงใจหนักแน่นสำหรับสัปสัตที่เกิดมาพร้อมกับอวิชชาและยินดีจมปลักอยู่กับกรรมกิเลสเกือบทุกคนล้วนก่อกรรมในแบบที่ทำให้จิตมืดมนโปม่านอุปทานบทบางความจริงหนาะแน่นขึ้นเรื่อยๆคนประเภทนี้ต่อให้ได้ใช้เครื่องพยากรณ์กรรมเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลชัดแจ้งพวกเขา ก็ยังไม่อาจลงใจเชื่อมั่นในกรรวิบากได้เลยในเวลานี้ยังไม่มีเครื่องพยากรณ์กรรมแต่ก็มีคำสอนขององค์พระพุทธองค์ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุและผลในเรื่องของกรรมวิบากเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้สดับศึกษาอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายจะพร้อมเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อใด